78 สังคิตะปาติโมกขุเทสะธิว่าด้วยการยกปาติโมกข์ขึ้น การยกปฏิโมกขึ้นแสดงนี้มี ยก 13 ขึ้นแสดงจบ 13 ขึ้นแสดงยกอนิจจต ยกขึ้นแสดงโดยพิสดารทั้งหมดนี้ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระ มีชาวป่ามาพลุกพล่านภิกษุทั้งหลายไม่อาจยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงโดยพิสดารจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระ 10 ประการสมัยนั้นพวกภิกษุชาภคี ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระ อันตรายทั้งหลายมีดังต่อไปนี้ทั้งหลายมีดังต่อไปนี้ 1, 1. พระราชาเสด็จ 2 โจร 3 ไฟ 4 น้ำ 5 คนมามา 6 ผี 7 สัตว์ 8 งู 9 ภิกษุ 10 มี เราอนุญาตให้ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อในเมื่อมีอันตรายอย่าง พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุ 79 วินัยยปุจฉนกถา เรื่องถามพระวินัยถ้ำกลางสงฆ์ต้องได้รับแต่งตั้งก่อนสมัยนั้นผู้ภิกษุชาภคี เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งถามวินัยในท่ามกลางสงฆ์ได้วิธีแต่งตั้งเป็นผู้ถามภิกษุ กรรมวาจาแต่งตั้งตนเองท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าทรงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าขอ กรรมวาจาแต่งตั้งผู้อื่นท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าทรงพร้อมกันแล้วขอผู้มีชื่อนี้ถามพระวินัย พวกภิกษุชาภคีได้อาฆาตแค้นเคืองคุกคามจักฆ่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระ 80 วินัยยวิสัชนะกถา ว่าด้วยการวิสัชนาพระเรื่องพระชัพพคิวิสัชนาพระวินัยสมัยนั้นผู้ภิกษุภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงภิกษุทั้งหลาย รูปใดวิสัชนาต้องอาบัติทุกกฏภิกษุทั้งหลายอย่าง จึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยัตติกัมวาจาว่ากัมวาจาแต่ง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 ผู้ภิกษุผู้มีศีลดีงามได้รับแต่งตั้งแล้ววิสัชนาพระวินัยใน พิจารณาบุคคลแล้วจึงวิสัชนาพระวินัยในท่ํากลางสงฆ์ 81 โจทนาคถา ไม่พึงภิกษุทั้งหลายภิกษุขอท่านจงให้โอกาสยังไม่ให้โอกาสด้วยอาบัติรูปใด พวกภิกษุชาภคีได้อาฆาตแค้นเคืองคุกคามจักฆ่าภิกษุทั้งหลายจึง ภิกษุทั้งหลายผู้มีก่อนแล้วรีบขอโอกาสในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่มีเหตุอันควรต่อภิกษุทั้ง ไม่มีอาบัติรูปใดขอต้องอาบัติทุกกฎภิกษุ พวกภิกษุชาภคีทำสังฆกรรมที่ไม่ชอบทำกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรมในถ้ำกลางสงฆ์รูปใดทำต้องอาบัติทุกกฎพวกยัง ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระ ภิกษุทั้ง 4 5 รูปแสดงความเห็นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แสดงความ ภิกษุทั้งภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบ 4 5 รูปคัด 2 3 รูปแสดงความเห็น เมื่อยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงจงใจว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ ธรรมปราอุทยิเป็นผู้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในถ้ำ เรื่องพยายามยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงพระคำเมื่อพยายามไม่ต้องอาบัติ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้ 13 ปาติโมกขเทสกะอัจเชสนาธิว่าด้วยการอาราธนาผู้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงเป็นต้นเรื่องภิกษุชาวเมืองโจทนาวตถุไม่รู้จักอุโบสถครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับ สมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งมีภิกษุอยู่หลายรูปบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เถระเป็นผู้เคล้าไม่ฉลาดไม่รู้จัก ก็พระเถระของพวกเรารูปนี้เป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้ เราอนุญาตปาติโมกให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปนั้นเรื่องภิกษุมากรูปไม่รู้จัก นิมนต์พระเถระยกปฏิโมกขึ้นแสดงเถิดขอรับพระเถระนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า 2 ว่านิมนต์พระเถระยกปฏิโมกขึ้นแสดงเถิดขอรับแม้ท่านก็ตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้ง นิมนต์ท่านยกปฏิโมกขึ้นแสดงเถิดขอรับแม้ท่าน ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระ นิมนต์พระเถระยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงเถิดว่าท่านทั้งหลายเรายกปาติโมกข์ขึ้นแสดงไม่ได้ภิกษุเหล่านั้นจึง ภิกษุเหล่านั้นจึงอาราธนาพระเถระ 3 ว่านิมนต์พระเถระยกปาฏิโมกข์ 3 ก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเรายกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงโดยอุบายนั้นแหละว่าท่านจงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงเถิดแม้พระ กระผมยกปาติโมกเรื่องทรงภิกษุไปเรียนปาติโมกพอจะท่านท่านจง จะส่งภิกษุรูปไหนไปหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มี <F í ks era> ภิกษุไม่เป็นไข้ถูก 84 ปักขคณนาธิอุคคหานอนุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตให้เรียนวิธี สมัยนั้นพวกชาวบ้านถามภิกษุทั้งหลายที่กําลังเที่ยวบิณฑบาตว่าพระคุณเจ้าวันนี้กี่ค่ําภิกษุทั้งหลายตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกอาตมา ภิกษุทั้งหลายจึงนำ เราอนุญาตให้ภิกษุทุกว่าภิกษุมีจํานวนเท่าไหร่ แม้พวกกันเองพระสมณะ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีผู้มีพระภาครับสั่งเรื่องเมื่อสงฆ์กําลังยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดง เมื่อใกล้จะยกขึ้นแสดงจบบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไป ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระบอกแต่เช้า ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระ ผู้ภิกษุอคันตุกะพากันโรงอุโบสถกันเล่าภิกษุทั้งหลายจึงโรงอุโบสถต่อมาภิกษุ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้ โตภิกษุเถระใช้แล้วจะไม่ เราอนุญาตให้ปูอาสนะในโรงอุโบสถต่อมาภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่าภิกษุรูปไหน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 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุเถระใช้ภิกษุนวคะภิกษุนวคะทั้งหลายถูกภิกษุเถระใช้แล้วก็ไม่ยอมตามประติบภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มี สมัยนั้นในอารามแห่งหนึ่งพวกภิกษุที่อยู่ในอารามไม่จัดน้ําฉันน้ําใช้ไว้ ต่อมาภิกษุทั้งหลายได้มี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 สมัยนั้นพวกภิกษุหลายรูปด้วยกันเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาด อุปจาจารย์พึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านจะไปไหน เรื่องควรสงเคราะห์ภิกษุผู้เป็นปหูสูตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่ง เป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังในการศึกษามาใน ม้ายจํระฟันเรื่องทรงภิกษุไปพอจะกลับมาทันในวันนั้น ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งท่านท่านจงไปเรียนปาฏิโมกข์โดยย่อหรือโดยพิสดาร เรื่องจำพรรษาในอาวาสที่มีผู้ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงได้ภิกษุทั้งหลายอัน ด้วยสั่ง ถ้าจำพรรษาอยู่ต้องอาบัติทุกกฎ 87 ปาริสุทธิฐานกถาว่าด้วยการมอบปาริสุทธิเรื่องภิกษุไข้ มีภิกษุเป็นไข้อยู่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุไข้ ข้าพเจ้าขอมอบปาริสุทธิ์ท่านจงนำปาริสุทธิ์ของข้าพเจ้าไปจงบ่อปาริสุทธิ์ของข้าพเจ้าภิกษุ หรือไม่รู้ด้วยกายและวาจาปาริสุทธิ์เป็นอันอย่างมิได้มอบถ้าได้อย่างนั้นนั่น รูปภิกษุไข่จากถึงแก่มรณภาพไม่พึงย้ายภิกษุไข่สงฆ์พึงไปทำอุโบสถ เมื่อภิกษุไข้ได้มอบปาริสุทธิ์แล้วถ้าภิกษุผู้นำ ปตินยาเป็นผู้ถูกส่งลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ ปฏิญญาเป็นผู้ทำลายสงฆ์ปฏิญญาเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนฮ่อพระโลหิตปฏิญญา เมื่อภิกษุใครได้ม่อปาริสุทธิ์แล้วถ้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิ์ เมื่อภิกษุใครได้ม่อปาริสุทธิ์แล้วถ้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิ์เข้าที่ประชุมสงฆ์ละถึงปฏิญญาเป็นอุปโตพยัญชนะกปาริสุทธิ์เป็นอนันมาแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุใครได้ม่อปาริสุทธิ์แล้วถ้าผู้นำปาริสุทธิ์เข้าที่ประชุมสงฆ์หลับเสีย ปาริสุทธิเป็นอนัมมา